อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้า ว, วันนี้ซึ่งเป็นเช้า ว, วันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนะคะเป็นวันแรม11ค่าเดือน11ปีมะโรงค่ะก็เปิดรายการ เหมือนเช่นเคยนะคะด้วยรายการธรรมรับอรุณซึ่งเราก็ถ่ายทอดเสียงนะคะไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของเราเป็นส่วนใหญ่ทีเดียวค่ะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแฟนรายการก็คงจะรับทราบแล้วก็ตื่นมาฟังกันเป็นประจำทุกเช้าตั้งแต่ตีห้ถึงตีห้ครึ่งนะคะ สำหรับการพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็คงเป็นที่ทราบกันนะคะว่าจะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะหรือที่เราเรียกกันว่าสากัญช้าซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสนะคะมีบุญที่จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะในการที่จะสนทนาธรรม ะ, ะในเรื่องราวที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราชาว บ, บ้านเรานี้แหละค่ะที่เป็นค า, ารวะทั้งหลายนะค ะ, ะโดยการได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคูณหลวงพ่อทวดทวสะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระคูสิทธิปะพะกรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนโน่นเลยนะคะพร้อมทางท่านพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโ น, โนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเกล็นตามพุทธวจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศกค่ะซึ่งก็มีการจัดปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำอย่างเคร่งครัดมากๆเลยนะคะเดือนละครั้งซึ่งก็เคยเรียนท่านผูฟังแล้วว่าถ้าหากท่านผู้ใดสนใจก็ เข้าไปในเว็บไซต์ของทางวัดได้นะคะก็จะทราบแล้วก็สามารถสมัครไปได้ร่วมร่วมในการปฏิบัติธรรมได้เลยนะคะอันนี้ก็ตามศรัทธาของท่านค่ะพบกันในเช้าวันนี้ที่ฉันอยากจะขอเรียนท่านผู้ฟังว่าเราโชค ด, ดีมากๆที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโทภาโ ท่านจะอาวาตวัดป่าดอนไหายศพได้เมตตาที่จะมาร่วมสนทนาธรรมะหรือสักชาในรายการธรรมระบรุลของเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะร่วมด้วยพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนเหมือนเช่นเคยคะ่ะข อ, อนำท่านผู้ฟังมากราบนมำมศาการาพริเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตโภสโหรือท่านพระคุณสิทธิพิพากณ์และพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำมศการเจ้าค่ะพระอาจารย์และหลวงพ่อเจ้าค่ะสบายใจเจ้าค่ะเราพบกันวันนี้ เป็นวัน เช้าที่สิบนะเจ้าคะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบอ็ดซึ่งก็จะเป็นวันที่ทางวัดป่าดอนไฮโศกนั้นก็จะจัดาการเรียกว่าทอดกรถินประจําปีนะเจ้าคะดังนั้นในสาวอาทิตย์นี้โยมก็เลยอยากขอความเมตตาที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอดาดจิตตภโรเจ้าคะ่ะได้พูดถึงเรื่องของอบุญกรถิญ น, นะเจ้าคะ่ะอานิสง์ของบุญกรถินนั้นมีอย่างไรบ้างแล้วก็ คงจะต้องย้อนถามเป็นคําถามแรกก่อนนะเจ้าค่ะว่าในพุทธกาลนั้นเนี่ยความเป็นมาของการทําปุนกรถินคือหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนี่มีมาอย่างไรเจ้าค่ะขอกราบนิมนต์เจ้าค่ะเรียนพอนอพูดถึงงานกิระถิ่แในสมัยพุทธกาลนู้นเนี่ยเจ้าค่ะจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่ที่พระเจ้าตรัสรุนแล้วใหม่ๆก็การให้ทานการถวายผ้านี่ก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เดิมมีพระเจ้า พิมพิสารถวายผ้าบ้างสมัยนั้นพระเจ้าก็ใช้ผ้าบางสกุลบ้างจาะมีอาณาถาบินทกาเศรษฐีถวายผ้าบ้างแรต่างทีนี้พ อ, อคําสอนพระเจ้าเนี่ยแผ่ไปไกลคนใจก็มีพิสูจน์มากขึ้นใช่ไหมจุ๊ข้ามีคนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้นแรงต่างก็ต่างคนต่างก็บวชแล้วทำอะไรแล้วปฏิบัติกิจแล้วก็เลยมีพี่พระเจ้านุ ญ, ญาตให้มีการจำพรรษานั้มันเริ่มมาตั้งแต่ มีการอนิญะให้มีการเข้าภาษาก่อนแนะ้วอนุญาให้มีการเข้าภาษาแล้วเนี่ยก็ภิกษุต้องอยู่เป็นที่ล่ะทีนี้พอภิกษุไม่ได้เดินทางไปไหนอ ย, อยู่เป็นที่แล้วเนี่ยก็มีความระลึกถึงบร <Okay. S 1> นะพุทธเจ้าผ่านมาอีกหลายปีย ป, ปีที่มีการจำพรรษาไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่สมทานข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทุตโงขวั์ตอันหนึ่งคือการถือผ้าพาังสกุล <Okay. S 1> นะก็คือว่าตัวเองเนี่ยจะไม่รับผ้าที่เพื่นเข้ามาถอายให้ จะใช้ผ้าที่เก็บตกบ้างตามางานศพงานอะไรอย่างเงี้ย ม, มาตัดเย็บเป็นผ้าที่วอตัวเองพิ่ษุกรุมนี้ก็เลยเดินทางมาหาผู้เช่าเพราะความระลึกถึงพรรษาแล้วก็คิดถึงผูนะ้เช่าน ะ, ะก็เลยเดินทางมาเพื่อที่จะมาพบผู้เช่าแล้วตอนนั้นในปีนั้นเนี่ยเกิดประเด็นที่ว่าพอฤดูฝนมันหมดแล้ว3มเดือนคือยังไม่หมดดีนะคือจริงฤดูฝนมันมีสเดือนแ ล, แล้วก็พอเดือนสุดท้ายที่3ามเนี่ย ฝนมันก็ยังไม่หยุดดีนะมันก็ยังมีตกบ้างหลายบ้างาเดินทางมาเนี่ยพื้นดิน ม, มันก็ยังไม่แห้งละ่ะมันยังเปียกเเทะ อ, อยู่เนี่ยที่สุกลุมนี้ออกภาษาปุ๊บวันทุ้งขึ้นไปเลยนะพระาพุทธเจ้าเลยแล้วบางทางเดินทางไปนี่ก็โอ้โหเละเทะกระกกมอมนะดินมันเล็ะเดินทางมาก็จีวรอะไรต่างก็เละเทะไปหมดในสมัยก่อนก็จะใช้การเดินทางการเดินเท้าใช่แล้วทางเกวียนเนี่ยหมายท่านฟังเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เคยเห็นทางเกวียนนะทางเกวียนเนี่ยไม่ใช่ทางลูกหลัง คือทางลูกลังที่เราว่าพอฝนตกแล้วมันเละเนี่ยทางเกวียนนี่มันแย่ยิ่งกว่าทางลูกลังอีก<ช>ทางลูกลังเนี่ย<ช> <asion ally. S 2> เขายังมีการบดอัดอย่างดียังไม่ใช่คอนกรีตก็ตามแต่ว่าเป็นทางลูกลังที่เป็นดินธรรมดา<ช>แต่ทางเกวียนเนี่ยมันไม่มีการบดอัดนะเป็นสมัยก่อนนั่นอีกนะที่ว่าวัวควายเดินไปเนี่ยมันก็อึใส่ถนนอน่ะมันก็เละไปหมดเลยยิ่งชนิดที่เราว่าฝนใหม่ๆนี่คือเยีิมไปนี่ก็เปนเละเท้าติดเท้าอ่ะเป็นทางเกวียนว่างั้น พอเดินํามาถึงที่ผู้เช่าประทับอยู่เนี่ยโหก็สภาพนี่เละมากะนะชีบ่า อ, อะไรต่างๆก็เละเทะอะไรต่างๆก็ไปหมดเลยผู้เช่าเห็นแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้สงสารคือมีความรู้สึกว่ า, าแบบมันเป็นสภาพที่ที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่น ะ, ะก็เลยอนุญาตให้มีการรับผ้ากระถินนะ่นจึงมันจัติคำว่ากรถินนี้ขึ้นมานะกระถินเนี่ยก็จึงเป็นลักษณะของอแปลว่าผ้าเฉยนะที่ถวาย ในช่วงวาระที่มีการจำกัดอยู่ในช่วงนี้นะก็คือว่าผ้าที่ถวายใน1 1เดือนนะที่ในรอบปีหนึ่งมี12เดือนใช่หมใค่ะในช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้จากวันออกพรรษาเนี่ยจนถึงวันที่รับกรถินเนี่ย่จ ะ, จะมีช่วงหนึ่งเดือนนี้เท่านั้นที่อนุญาตให้มีการรับผ้าชนิดที่เรียกว่าผ้ากรถิน่ะผ้นะาที่ถวายในช่วงหลังจากออกพรรษาเป็นเวลา1นเดือนเนี่ยเรียกว่าผ้ากถิน จุกค <Okay. S 2> ่ะอนุญาตให้มีการรับผ้าประเภทนี้ <Okay. S 2> นะเป็นผ้าประเภทไหนก็คือว่าต้องมีข้าราชการบัณิที่เขามีความประสงค์จะถวายผ้านะมาแจ้งความจํานวนต่อภิกษุในในอาวาสนั้นจุกค่ะภิกษุในอาวาสนั้นก็ต้องเป็นมีจํานวนทีเ่เกินห้าขึ้นไปอือจุก okay. คนะ่ะเกินห้ารูปนะจุกค่ะใช่<ะ>เกินห้ารูป <c oughs> ขึ้นไปถึงจะสามารถรับ้าพกรถินได้จุกค่ะทำไมต้องห้ารูปเพราะว่าคือคือจำนวนตัวเลขตรงเนี้ยนะ พระเจ้าให้ไว้เนี่ยเพื่อว่ามันจะได้มีการร่วมกันทําอย่างสมมุติว่าผ้าทั่วๆไปเนี่ยอ่าเช่นผ้าของคร บ, บดีที่เขาไปซื้อมาคุณก็ไปซื้อมาจากสมัยนี้ก็มีเสาชิงชาเนาะคุณซื้อมาจากเสาชิงชาคุณถวายจบเลยทําก็รัมาได้ผ้าลักษณะนี้เป็นผ้าที่คราบดีคราวว่านี่ก็ตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นในสมัยพุทธกาลเขาใช้ ค, คําว่าคณาบดีจีวรคณาบดีคือผ้าที่คุณตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 2> แต่ผ้ากระินเนี่ยจะไม่เหมือนผ้าขรรดาบดีจีวร น, <Okay. S 2> นะตรงที่ว่าผ้ากรินเนี่ยคือคุณเอาผ้าดิบๆมาเอามาให้พระ <Okay. S 2> นะพระเนี่ยในอาวาสนั้นเนี่ยที่ร่วมกันว่าเออจะมีงานกระินนะจะมีการทาําผ้ากรินนะ <Okay. S 2> ก็ต้องเอาผ้าอ่าดิบเดิมๆเนี่ยที่ขัรดาบดีเขาเอาให้มาเนี่ยมาทําการตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นอืมค <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นปริมาณงานมันมากนะคุณเสนาจั <Okay. S 2> ยาคุณไปดูในโรงงานทำจีวรสมัยปัจจุบันเนี่ย S <S ตัดย้อมเย็บมันไม่ได้ทําวันเดียวเสร็จคือเขาอย่างสมมติในโรงงานปัจจุบันเนี่ยนะเขาจะมีผแผนกตัดผ้ามีแผนกมัดผ้าใช่ไหมตัดตัดเสร็จแลปุ๊บคนเยอะก็ไปเย็บเย็บเสร็จแล้วคุณคนที่มาสอยได้ออกก็ต้องมาสอยได้ออกคนที่มาพับก็ต้องมาพับเนี่ยเสร็จม่ในวันเดียวไม่ทันูค่ะ่ะอาเพราะฉะนั้นในการทําตรงเนี้ยจึงต้องมีจํานวนคนพอประมาณที่จะตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันเดียว คือต้องร่วมมือกันทำใช่แล้วจึงกําหนดจํานวนภิกษุเอาไว้จ้าค่ะว่าอย่างน้อยต้องมีสี่รูปห้ารูปอย่างนี้จ้าค่ะเพื่อจุดประสงค์ว่าให้มาเสร็จในวันนั้นนะจ้าวค่ะงานตรงเนี้เรียกว่าจุดลกระถินอืาวค่ะกระบวนการทุกอย่าเนี้เรียกว่าจุดลกระถิ่นผ้าที่ได้ในวันนั้นเรียกว่าผ้ากรถินอืาวค่จะไม่เหมือนผ้ากัลยาบดีตรงนี้ว่ากัลยบดีคือคุณทําเสร็จเรียบร้อยมาแล้วเอามาให้พระพระใช้ได้ทันทีจ้าค่ะแต่ผ้ากรถินคือเอาผ้าดมมาาา้พระะจตอองงเทํ จะไม่เหมือนกันตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงฤดูการที่รับผ้าประเภทที่เรียกว่ากรถินได้เนี่ยมีแค่หนึ่งเดือน <Okay. S 1> นะตั้งแต่วันออกพรรษาจนถึงวันเป็นเดือนสิบสอง <Okay. S 1> แค่นี้เองตั้งแต่วันออกพรรษาถึงวันเป็นเดือนสิบสองหมดจากนี้ไปก็ผ้าที่จะจะไม่ได้มีการทําอย่างนี้ พรา<ช>ก็จะไม่มารวมตัวกันทําอย่างนี้เจ้ค่ะก็เป็นฤดูที่ว่าเอาแยกย้ายกันไปต่างคนต่างทําความเพียรเจ้ค่ะอันนั้นเป็นเรื่องของสมัยพุทธกาลนะเจ้าค่ะใช่ัชอนอานิยมเนี่ยก็เคยมีบุญที่ว่าเคยขึ้นไปที่วัดที่จังหวัดเชียงรายเจ้าค่ะได้เคยร่วมกับทํามบุญจุลกะถินนะเจ้าค่ ะ, ะ, ะก็จะเห็นว่า ในงานนั้นๆก็จะมีญาติโยมมาเจ้าค่ะเรียกว่ามีต้นแบบต้นฝ้ายเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็มาช่วยกันแกะฝ้ายแล้วก็มีการปั่นได้อะไรอย่างเงี้ยเจา้าค่ะจนกรทั่งสามารถทอภายในคืนนั้นจนเสร็จแล้วก็ย้อมแล้วก็ถวายท่านเจ้าอาวาสตอนเช้าอันนี้ก็บอกว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยอันนั้นคงเป็นเรื่องที่เหมือนกับมีการปรับมาให้เข้ากับยุคสมัยใช่ไหมเจ้าค่ะคือก็จะเพิ่มเติมส่วนที่ว่าทําผ้าขึ้นมาเองเจา้าค่ะทีนี้โดยพุทธบัญญัติเนี่ย ก็จะทำํำก็จะไม่ได้บอกว่าต้องทําผ้าเองด้วย ค, คือเป็นผ้าที่คณะบัณฑิตเขา้เขาถวายมาแค่แนั้นเองอยังวัดโดยทั่วทไปแต่มาก็ไม่แน่ใจสําหรับวัดอื่นนะแต่วัดป่าดอนไหโศกเราก็ทําอย่างนี้มาตลอดก็คือว่าผ้าที่รับมาต้องตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นก็จะเป็นจุจละกรถินตามพุทธบัญญัติอยู่แล้วล่ะตั้งแต่หลวงพ่อมาเริ่มทําตั้งวัดที่นี่แล้วหลวงพ่อพอจะเล่าได้ไหมเจ้าค่ะว่ากระถิ่นของวัดป่าดอนไหโศกเราที่อ่าเริ่มมาอย่างไรนะเจ้าค่ะ พ่อมันเหมือนทุกโรครัยเยอะเลยค่ะแล้วมีญาติโยมมาเยอะมไหมเจ้าค้าทุกปีมีญาติเข้มาเยอะเดือนละคเจ้าค่ะอตั้งแต่หลงพ่อมาอยู่แรกๆก็อยู่องคเดียวเจา้าค่ะใช่ไหมทีนี้พอมีจํานวนพิสูจ์มากรูปขึ้นเนี่ยอพอที่จะอจําจนวนมาก5้ารูปอห้ารูปก็เลยมีพระบดีเนี่ยมาติดต่อว่าอาจาะจะทํากระฎินนะเจ้าค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็ มีผ้ามีจํานวนเพียงพอแล้วก็หลวงพ่อก็พิจารณาว่าอางั้นปีนี้จะทํากะทินละจะรับผ้ากะทินละเจ้าคะ่ะ ก, ก, ก็ก็ทําอย่างนั้นมาตลอดก็คือต้องตัดเย็บย้อมให้เสร็จภานนยในวันนั้นเ <sparkle S 2> อาผ้าดิบมาผ้าขาวเนี่ย น, น, น ะ, ะจะเป็นเนื้อไหนก็แล้วแต่แล้วก็มาตัดตามแบบที่พระเช้ามาจักเอะไว้อที่ต้องมีลักษณะเป็นตาราเป็นกับท้องนาพื้นนาของชาวมาังอุดแล้วก็เย็บย้อมให้เสร็จภายในยวนันนั้นโดยพุทธบัญญัติก็คือว่า คือตัดได้อย่างมากสุดก็ผืนเดียวค่ะคุณกันใจเจค่ะในจีวงพระมีสามผืนอืหรือบางทีก็ทําผืนหนึ่งบางทีก็ทําได้สามผืนแล้วแต่ทีมใหญ่ทีมเล็กแต่ปกติต้องมีอย่างน้อยหนึ่งผืนเจ้ค่ะแตนี้ผืนเนี้ยโอ้หละพาะทั้งสี่รูปเนาะแล้วสี่ห้ารูปอ่ะหรือมากกว่านั้นบางวันแล้วจะแบ่งกันยังไงนะเจ้าค่ะผ้าที่ได้มาจะตกเป็นของใครเจ้าค่ะนี่อันนี้คือประเด็นอืมอีนี้ก็คือพุทธชาติก็บอกว่าเอางั้นก็ตกเป็นของคนที่มีจีวรเก่าคร่าคร่าที่สุด <icop ar> หรือก็แล้วแต่คณะสองที่นั่นจะตกลงกันค่ะคือบางคนสมัยนี้เขาก็ตกลงกันว่าให้เจ้าว่างให้คนที่มีอาวุโมากที่สุดเจ้าค่ะแต่บางทีก็ตกลงกันว่าเอาให้พิกษุนที่มีจีวรเก่าขัาข้กล้ามมากที่สุดก็ได้ <icop ar> ก็แล้วแต่ตกลงกันอืนี <ar> ่พอตกลงกันแล้วคุณตกลงกันยังไงทุกคนจะต้องมาร่วมกันอนุโมทนา <c ute> คือพูดถึงว่าหมือนกัโบสถ์อะว่างันนะว่าใครจะให้ได้ผ้านะ กรียกก็มีประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยงูนะเจ้าค่ะเรื่อมีคํากล่าวค่ะมีคํากล่าวกันมากอ่ผ้าเนี้ยจะตกใครใครค่ะนะก็จริงต้อมีการส่วนอนุโมทนาที่เราพูดกันนะเ่ะการสวนอนุโมทนาที่เป็นภาษาบาลีบาลีกันน่ะก็คือพูดถึงกันว่าคุณจะบทภาพอันนี้ให้ใครทั้งนั้นเองในพูดเผด็จกาบ้านนะเะส่วนใหญ่ก็จะบทให้กับบุคคลที่เอ่อเป็นเจ้าอาวาสหรือมีภาษาสูงสุดหรือว่าบางวัดก็ให้กับเอ่อ พิสุทธ์ที่มีจิวิเก่าขัาขําคราที่สุดอัดค่ะชัวรค่ะอันนี้ก็จะทําให้ญาติโ ย, ะยมทั้งหลายเนี่ยเห็นในพิธีทอดกรถินตามวัดต่างๆนะเจ้าค่ะว่ามีการอพอถวายผ้าพระกระถิ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมักจะมีการสวดของอพระพิสุท์ของเราเจ้าค่ะว่าแล้วก็จะมีการพูดว่าเห็นควรมอบให้แก่ใายใอันนียมโยมเท่าที่ฟังมาไหเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ตอ น, นี้อนุเสียงอนิสง์ของการทําบุญตรงเนี้เจ้าคะ่ะโยมอยากจะขอความเมตตาได้ฟังคือทราบแะ ว, ว่าการทําบุญนั้นทุกอย่างแหละเป็นบุญนะเจ้าคะ่ะแต่ตอนนี้เนื่องจากเราอยู่ในช่วงของกรถิน okay, ตอนนี้เนี่ยญาติโ ย, ยมทั้งหลายท่านผู้ฟังทางบ้านนี่เขาคงจะได้รับซองกระถินมากมายเลยคะ่ะแล้วก็ได้ได้ได้ร่วมทําบุญกระถินกับเรียกว่ากระจายไปในทุกๆวัดโยมก็เลยอยากขอความเมตตาทราบตรงนี้นิดนึงเจ้าคะ่ะว่าสําหรับ อ, อนิสงของบุญกรถิน นั้นมีอะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอก่อนที่จะไปถึงอันนี้ส่งก่อนนะเจ้าค่ะจะขอพูดถึงตรงจุดที่ว่าอผ้าที่ได้มาที่ว่าผ้ากรินบัคกรินเนี่ยเจ้าค่ะจะไม่เหมือนกับผ้าขนบดาษบจีวนนี้เราพูดไปแล้วเจ้าค่ะแล้วก็สําหรับภิกษุที่คือพระเจ้าอาศัยเหตุบัญญัติของภิกษุที่รับเป็นถือตุ้ดงขวัตคือผ้าบางสกุลเจ้าค่ะผ้าบางสกุลคือผ้าที่เขาแบบว่าเปื้อนฝุ่น่ะผ้าที่เขาใช้แล้วไม่ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้ เป็นปัญหาที่มาเคยสงสัยว่าเออแล้วถ้าผ้าภิกษุผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นปกติเนี่ยจะรับผ้ากรถินได้ไหมจู่ค่ ะ, ะก็โดยดูดแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เพราะมันไม่ใช่ผ้าเครื่อบัีที่ตัดเย็บอย่างกรณีก็พระภิกษุของช่วยกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะรับได้เพราะฉะนั้นพระเจาจึงกระสาเหตุบัญญัติตรงเนี้ยบัญญัติให้มีการผ้ากรถิ่นเกิดขึ้นเพื่อภิกษุผู้ถือตุ้ดงควัตรหรือภิกษุที่ผู้ถือตุอดงควัตรเป็นผ้ากระถิน่นเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นเนี่ยน่าจะรับ ผ้ากรถินได้คิดว่านะครับที่มาถึงประเด็นที่ว่าอ น, นิสง์ของการรับผ้ากรถิน่นแเรื่องของภิกษุ ก, ก่อนภิกษุกเนี่ยรูปไหนก็ตามที่อยู่จําพรรษาในอาวัตใดอาวัตหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถมีอ น, นิสง์ที่เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติได้เช่นว่า อ, อยู่ข้ามคืนไม่ต้องมีผ้าสามผืนอย่างพระภิสุกเนี่ยมีผ้าอยู่3ามผืนที่อย่างน้อยๆที่สุดทุกคนต้องมีมีอะไรบ้างเจ้าคายมก็คือผ้านุ่ง คือเขาเรบงกว่าสบะผ้าอห่มคือจีวรจแล้วก็สังฆะคลุมคือสังฆติมีสามผืนนั่นนี้คือจะไม่ใช่เสื้อกองเกงเสื้อนอกอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะแต่เราจะมีสามผืนแค่นี้ต้องอยู่กับตัวะตอนที่จะข้ามมันทุกวันต้องมีต้องตรวจสอบว่าคุณมีผ้าหรือยังอยู่ไหมอย่างเงี้ยนะทีนี้พอในช่วงกระถินเนี่ยอันนี้หลังจากเอาภาษาเนี่ยก็จะนิสสงตรงนี้ว่าคุณอยู่ได้ผืนเดียวขาดสองผืนได้บางที มีกิจกรรมเพราะว่าออกพรรษาลแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมการบวรณาใช่ไหมที่เราจะคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนะนะคือเป็นข้อเสนอให้ทุกคนติดเตียนตัวเองได้อย่างเงี้ยเจ้ค่ะอ่าก็หลังจากนั้นก็เลยอนุญาตให้มีข้อนี้หรือว่าบางทีมีกิจกรรมมากอนุญาตให้ฉันอาหารที่เป็นกลุ่มๆเป็นแยกกันฉันได้อย่างเงี้ยบางทีมีกิจกรรมซึ่งอ น, นุสวงตรงนี้ก็ขยายไปอีกนะจนถึงปีหน้าเดือน 3, นะสามสําหรับพิสูจน์ที่ได้รับภาคถิ่น ใ, ในอว่ า, านั้นทุกคนเลย ไม่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้รับผ้าอย่างเดียวแต่ทุกคนที่ร่วมในกระบ ว, วนการนี้ต้องได้ได้หมดอไดอ้ได้อันนี้ส่งตรงนี้คือก็เป็นอนนี้ส่งธรรมดาธรรมดาที่ว่ามีการลดหย่อนในเรื่องข้อวินัยของพระท่านนั่นหค่ะลดหย่อนในเรื่องข้อวินัยท่านนั่นเองเจ้าค่ ะ, ะทีนี้ไอาการทําตรงนี้นะคุณเดชใจพิสูจน์เนี่ยต้องช่วยกันเจ้าค่ะต้องช่วยกันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพระที่ว่าพอรับผ้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องช่วยกันทํา ในพิสูรรูปไหนที่อยู่ในอาวาสเนี่นะคุณไม่ช่วยกันทํานี่เป็นความผิดนะเป็นอาบัตยังน้อยคุณต้องมาช่วยต้มน้ําต้องมาช่วยเตรียมน้ําย้อมต้องมาถึงเราตากผ้าคุณต้องมีช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งท่านนอนดูดูอยู่ในตะกุติไม่ได้จะจะเป็นความผิดผิดอาบัตพินัยเจ้าค่ะเป็นอาบัตนั่นแหละอือเจ้าค่ะเป็นอาบัตเพราะฉั้นมาช่วยกันทําเสร็จแล้วก็ทําให้มันเสร็จในวันนั้นค่ะเพราะเพราะมันไม่ใช่งานง่ายๆถ้าคนทําเป็นสองสามคนสี่คนก็พออยู่เค่ะอ่า เนีเราก็ช่วยกันต้มน้ํกันอย่างดีอืราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะว่าให้สามัคคีร่วมมือกันทำ <c oughs> แล้วนี่พระสงฆ์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละส่ว <c oughs> <c oughs> นฆราวาสหน้าที่ของฆราวาสก็คือว่าอหาผ้ามาถ้าคุณต้องการถวายผ้าคุณก็เอาผ้ามาแค่นั้นเอง <c oughs> อมากน้อยเราก็พิจารณาใช้ตามตามที่มีผนะ้าเนื้อไหนก็แล้วแต่เขาถวายมาแีนี้ของผู้ให้อันนี้สงสุเกิดกับผู้ให้อย่างไรบ้าง <c oughs> อ, อผู้ให้เนี่ยผู้เชา่าพูดถึงการทําถวายทานอยู่แล้วนะก็จะมีอา น, นิสงส์ เป็นความสุขก็คือเราจะมีความสุขก็ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาใจใช่ไหมห้าห <Okay. S 1> ทางนี้เป็นช่องทางควรจะมีความสุขผ่านทางหทางนี้ได้ต้องมีวัตถุดิบวัตถุดิบที่จะแปลงมาเป็นความสุขนั้นก็คือบุญท่านผู้ชมบอกว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขอย่ากลัวแต่บุญเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบุญมันจะแปลงมาเป็นความสุขบุญนี้เกิดจากอะไรได้บ้างให้ทานได้ไรักษาศีลได้จเจริญภาวนาได้การถวายผ้านในภิกษุ ถวายปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะ บ, บริโภคเป็นการให้ทานาแล้วก็เป็นทางหม่ยของบุญได้ทีนี้เฉพาะเจาะจงเรื่องก็กระถินเนี่ยที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้เกี่ยวกับคารวะที่จะได้อนิสงส์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะไม่ได้มีะจะไม่ได้บอกไว้ ช, ชัดเจนนะพูดถึงแต่ว่าเออได้บุญนะได้บุญก็คือเหมือนกับเราให้ทานทั่วไปเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานเป็นสังฆทานอย่างเดียวนี่ยเจ้คาค่ะเป็นสังฆทานก็คือว่าไม่เฉพาะเจาะจงละเจ้ค่ะ ว่าในวันนั้นมันอยู่ที่ผลโบสจะมาเป็นของกายอยู่ที่พิสูจน์ทั้งหมดร่วมกันโบสถ์แล้เพราะนั้นถ้าจะพูดถึงก็คือว่า เ, าเป็นสังฆทานแน่นอนอันนี้ห น, นึ่งสังฆทานก็จะเป็นสังฆทานเฉพาะการเฉพาะพการอืที่พระเจ้าเคยบอกกับขาบ้าราชกาคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าอาตอนนั้นพระเจ้าได้เคยพูดถึงอ น, นิสงส์การถวายทานในพระอรหานใช่ไหมเขาบอกว่าทานในสกุลของเขาเนี่ยจะต้องถวายสําหรับพระอรหันเท่านั้น ที่ผู้เช้าก็เลยบอกว่าโอ้ยสมุขคารว่าจะมารู้ว่าใครเป็นพระราษฎรนี่มันยากมากก็เลยแนะนําให้ถวายทานในสงฆ์คือถวายสังฆทานนั่นแหละแต่เพราะว่าสังฆทานที่สุดสงฆ์รับมาแล้วเนี่ยไม่ได้เฉพาะเจอดจงว่าเป็นของใครนะะก็จะประชุมตกลงกันอาจจะให้ใครดีก็จะให้กับคนที่มีความต้องการหรือคนที่เขายกย่องในหมู่ของนั้นเพราะฉะนั้นจะพูดถึงว่าก็เป็นสังฆทานแน่นอนแล้วก็เป็นเฉพาะการด้วยแค่ในสามสิบวันยี่สิบแปดวัน ในช่วงตั้งแต่แตออกพรรษาจนถึงวันเพนเดย์สิบวันลายกระทรงเพราะฉนะนั้นในช่วงนี้ยจะมีการกําหนดเวลาที่แน่นอนแลนะมีรูปแบบที่แน่นอนและมีข้อปฏิบัติที่แน่นอนนะคนก็เลยนิยมทำกันเหมือนกันะทุกปีทุกวัดช่วงนี้ท่านผู้ฟังบางทีได้สสี่ซองนะดีไปสิบซองแต่และ ว, วัดทุกวัดก็มีหมดเลยแต่วัดที่มีพระไม่ถึงสี่รูปก็ยังจะทํากรถิน่น <c oughs> ก็งงๆเหมือนกัน ซึ่งอันนี้ก็ขัดกับพุทธบัญญัต์ไหมเจ anyway. ้าค่ะขาดกับพุทธปัญญาต์เจค่ะคือคือทำถวายทานมันถวายได้ตลอดคุณใจแบบรูปแบบที่เรียกว่าขินเนี่ยจะต้องมีจํานวนพระต้องมีช่วงเวลาจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอนเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าข้อข้อตกลงนี้เหมือนปุ๊บก็สามารถทํากระินได้ถ้าไม่เหมือนก็ทำไมได้ก็ถวายท่าน ท, ทั่วๆไปอืมเจ้าค่ทะทีนี้โยมในฐานะที่เป็นคารวะ น, นะเจ้าค่ะเราก็ทราบว่าหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะมีบุญกรถินนะเจ้าค่ะแต่ท่นี้พอทั่วๆไปโยมก็จะเห็นว่ามีทอดพระป่าด้วยเจ้าค่ะ อ, อันนี้ทอดพระป่ากับทอดกรถินนี่ต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระป่านี่คือคือคืออะไรก็ตามที่นอกกรินเขาเรียกพระป่าหมดอืมเจ้าค่ะ คือผ้าป่าเนี่ยผ้าใช่ไหมอยู่ตามป่าป่าเนี่ยผ้าใช่ไหมผ้าสำหรับพระใช้่นะอยู่ตามป่าตามเขาคือผ้าเพื่อนฝุ่นจค่ะคือผ้าบังสกุลน่ะว่างั้นเถอะจค่ะอ่าเอาลแ้วหาอะไรไปถวายพระเขาก็นิยมถวยประจัยสีมีผ้ามีอาหารมีไปรักษาโรคมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมเขาก็เลยใช้คําว่าผ้าป่าผ้าป่านี่แหละอืมผ้าป่าป่าผ้าเละๆอย่างเงี้ยแทนการทําบุญว่างั้นอ่ะอันนี้ถวายได้ทั้งปีไหมทั้งปีผ้าป่านี่ปีหนึ lude, well, ่งสิบสองเดือนถวายได้อ right. ืจะผ้ากระถิน แค่เดือนเดียวด้วยจํานวนพิสูจน์ที่สี่้ารูปอย่างน้อยอือาค่ะก็จะต่างกันตรงนั้นเท่นั้นใช่ไหมเจ้าค่แค่นี้เองคือรูปแบบของการทําเนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังให้ทราบด้วยว่าไม่ได้จํากัดว่าคุณจะได้บุญหน้มากหรือน้อยคุณจะถวายท่านในสงฆ์ผู้จะถวายทานในพระหรือในใครก็แล้วแต่เนี่ยนะจุกค่ะได้บุญทางนั้นแหละจุกค่ะได้บุญทางนั้นแหละทีนี้ได้บุญมากหรือน้อยก็อยู่ที่ปัจจัยของผู้ให้คุณมีศรัทธามาก ในก่อนระหว่างแลนะหลังไหมแต่ถ้าคุณมีจะถวายในการนี้หรือนอกการนี้ได้่างนั้นจุ๊กนะ้าแต่ผู้รับเป็นยังไงถ้าผู้รับไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะคุณจะถวายในช่วงการนี้หรือนอกการนี้ได้บุญดังนั้นจุก้าะ่ามากพอกันจุ๊ก้าถ้าปัจจัย6กอย่างเนี้ยเท่ากันนะจุ๊ก้าเส้นคุณควบคุมสถานิสิงบุญได้แต่นะคุณรู้ว่าพระองค์นี้ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะคุณถวายรูปนี้คุณได้บุญเท่านี้สมมติวัด spread, หน่วยออกมาเท่ากับ x เจ้าค่ะคุณจะถวายในช่วงการกรถินหรือนอกการกระินคุณก็ได้บุญเท่ากันเจ้าค่ะบุญก็คือความสุขใจนะเจ้าค่ะมีความปิติว่าเราได้เหมือนกับได้ทําทานให้เหมือนกับได้ถวายทานให้กับพระพภิสุขสงฆ์ได้จะลงผู้จัดศาสนาต่อไปนะเจ้าค่ะทีนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของอก่อนระหว่างและหลังนะเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยพูดละแต่โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ ได้เนย้ำตรงนี้นิดนึงว่าในการทําบุญเนี่ย อ, อยากจะแนะนําญาติโยมว่าที่บอกว่าก่อนระหว่างและหลังทําบุญเนี่ยถ้าเราตั้งจิต ด, ดีๆเนี่ยมันจะมีผลอนิสงส์อย่างดีมากๆเลยอขอกราบนิ ม, มนต์ช่วยเมตตาสาัาฉานิดนึงเจ้าค่ะนิ ม, มนต์เจ้าค่ ะ, ะตรงนี้ก็คือว่าก่อนก่อนเราจะให้เนี่ยเรามีสตานในการให้หมายความว่าเราเตรียมการมาอย่างดีมีความคิดรอนจะน้อมไปในการให้เอ า, อา ง, ง่ายๆตอนท่านผู้ฟังจะทำอาหารใส่บาตรพระเนี่ย ระหว่างเราทำเราก็มีคิดว่าเอออาหารนี้นะกินแล้วจะมีสุขภาพดีนั่งสมาธิพอนานแล้วจะหลุดพ้นเป็นผ้าหลานได้อย่างเงี้ย ค, คิดอย่างนี้นั่นเองเรามีศรัทธาละเดี๋ค่ะระหว่างให้เราก็มีจิตน้อมไปเพื่อการให้นะให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความเครารพนะให้ทานด้วยจิตที่มีศีลอย่างนี้หลังให้ก็ไม่ไปนึกเสียดายโอ้ยไม่น่าให้เลยกลัวไม่ให้คนอื่นก็ไม่คิดอย่างนั้นนะคือเรียกว่ามีจิตศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้นะคือก่อนให้อีกนิดหนึ่งคือว่าไม่คิดว่าโอ้ยสงสารนี้นอกกระถิ โวยนีมสถาน้อยละไม่ถูกละหรือว่าคิดว่าเวยกระถิ่งคนให้เยอะแล้วไม่ให้หรอกอันนี้คือแปลว่าคุณคิดไม่ถูกละก่อนให้คุณอยู่สถาตกละถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้ไม่ว่าจะให้ตอนไหนเนี่ยมากเหมือนกันหมดคือผู้รับเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเหรอไหมเราไม่รู้พระองค์นี้เป็นยังไงเขาว่าดีกันแล้วว่าดีกันเราจะไปตรวจสอบว่าท่านมีราคาโฉดสามโอ้หะไหมมันก็ไม่รู้หรอกเอาเป็นว่าเราควบคุมปัจจัยที่เราควบคุมได้ คือตัวของเรานี่คือศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้อย่าให้มีความเครื่อแพงสงสัยวิจิกิจ่าว่าเฮ้ยถูกปล่าวะทำยังไงวะองนี้ไม่ดีไม่ดีเนี่ยเอออย่างงี้ไม่ดีแน่นอน่ค่ะศรัทธาน้อยล่ะกุศลศรัทธาคุณเขาเรียกว่าทานนั่นะเศร้าหมองออืได้ผลอยู่แต่เศร้าหมองไปนิดนึงเหมือนกับภาชนะโลหะเนี่ยนะทองเหลืองขัดมันๆเนี่ะแต่มันตรงนี้มันหมดหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะเราก็น้อยไปหน่อยหนึ่งอือเจ้าค่ะ ดังนั้นถ้าเราจะได้บุญเต็มๆนี่ก็คือว่าอยู่ที่จิตของเราเลยนะเจ้าค่ะว่าเราตั้งจิตว่าเราจะทําบุญอย่างนี้โดยที่ว่าเราก็ปรับลืมตั้งแต่เริ่มคิดละละแล้วระหว่างถวายกับหลังถวายก็ไม่มาคิดเสดงเสียดายอะไรนะคะระหว่างถวายในช่วงกระถินนี้นะมันหลายคนนะคนจาดินเจคนนั่นก็มาคนนี้ก็มาทําทำไงให้ใจเราไม่เศร้าหมอง พร้อมเป็นความสามะคีอทกับพิษสุขก็สามะคีเขาเรียกว่าเขต้องสามะคีถ้ามาคิดว่าเฮ้ยทําไมคนนี้ยานี่มันทําอย่างนี้มาปาดหน้าฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเอาเอานี่มาทําไมไม่น่าจะเอาเลยพระจะใช้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วยากให้มีความคิดอย่างนั้นนี่แต่ว่าเราบ่างกันให้เนี่ยจิตคุเจ้าหมองก็อยากให้มีอย่าไปด่าใครว่าใครนะเราก็อทํำไม่ถูกอ่ะคือทําใจให้ปลอดโปรงว่าอย่างเง้ยนะเจ้าค่ะหลังให้ก็เป็นมึกเสียใจโอ้ของเยอะแยะนี้พระจะไมปใช้หมดได้ไง ล้วก็ไม่กินอย่างนั้นด้วยให้มีสถัทธาระหว่างหลังการให้แล้วไม่เป็นเรื่องเสียด้ทานที่เราให้ไปหรือไปสงสัยว่าเขาจะไปทำอะไรแล้วแต่ตรงนี้ออกให้หมดเนี่ยใจของเราเนี่ยจะไม่เศร้าหมองบุญก็จะได้เต็มที่เต็มไม่เต็มหนุ่ยดูเจ้าค่ะ ในวันพรุ่งนี้จะมีการทอดกระถินประจําปีของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่จนนังหวัดนนทบุรีอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะเจ้าคะซึ่งยมคิดว่าอบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โทผโศท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกและก็ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ไพบุญภพปูโนโอก็คงจะไปรวมใจกันในวันพรุ่งนี้ ที่จะร่วมกันถวายผ้าพระกฐินนะเจ้าคะทีนี้ในช่วงเวลาเหลืออยู่เล็กน้อยนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อเจ้าคะ่ะได้เมตตาที่จะอำนวยความสะดวกนิดนึงสําหรับลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายหรือว่าญาติโยมที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยถ้าจะไปร่วมบุญกับทางหลวงพ่อนี้จะขอกราบนิมนต์เลยเจ้าคะ่ะขอเชิญญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มีกิจศรัทธาเริ่มใส่ขอให้ไปร่วมงานนี่โดยทั่วกัน งานก็จะมีรายละเอียดนิด น, นึงตรงนี้ว่าเริ่มปฏบัติเบจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ถวายอาหารประมาณสักแปดโมงเค่ะแล้วก็ฉันเสร็จไรเสร็จกว่าจะเริ่มพิธีถวายภ้าคถินได้ก็ประมาณ10บโมงเชา้ชาสิบโมเช้าแล้วไปในเที่ยงตัวอย่างก็เสร็จเรียบร้ อ, รอยเจ้ค่ะช่วงเช้าเั่านั้นเองเจ้ค่ะแล้วถ้าใครอยากจะอขอความเมตตาที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมสักคืนนึงสองค<ด>ืนอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะไ ด, ได้ก็จะเจอพิธีช่วงหนึ่งก็คือว่าพอพระรับผ้าเสร็จก่อนเที่ยงใช่ไหมเจะมารกค่ะ ตัดเย็บย้อมไม่เสร็จไปในตรงนั้นสามทุ่มสี่ทุ่มหรือเที่ยงคืนเสร็จก็ตีระฆังมาประชุมกันจะให้กครอนุโมทนาร่วมกันได้อันนี้สองละจบนั้นก็จะเป็นส่วนของพระถ้าอยู่ข้ามคืนก็จะเห็นพิธีกรรมตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะปีนิยมจะอยู่แน่นอนนะเจ้าค่ะอยากจะเห็นอยากจะเห็นว่า ทำอะไรกันบ้างนะคะก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนนักผู้ฟังทางบ้านคะ่ะท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมราบารุณนะคะถ้าหากว่าท่านยังไม่เคยได้ไปที่วัดป่าดอนหาโฉกก็อยากจะเรียนเชิญชว น, นะคะ่ะพรุ่งนี้นี่คิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าซองกรถินที่เดนได้รับมา น, ะนั้นเนี่ยโดยมากจ ะ, อะทอดกันในวันพรุ่งนี้ทั้งนั้นเลยวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนะคะแต่ ก, ก็ตามถ้าหากว่าท่านไปแถววัดป่าดอนไหายโฉกแล้วก็ก็จะ ได้ เชิญชวนให้ท่านไปร่วมงานบุญกรถิ่นกันนะคะแล้วก็สําหรับในเช้าวันพรุ่งนี้เราก็ยังจะพูดถึงเรื่องของบุญกรถิ่นนี้อีกนะคะซึ่งก็จะให้รายละเอียดท่านผู้ฟังทางบ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการตอบปัญหาด้วยแต่สําหรับในเช้าวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบน้ำมศการขอบพระคุณและกราบน้ำมศการลาพระเดชพระคุณหลวงพอดด่ อ, อ, อทโทโปส่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกและพระอาจารย์ภัยบุญอภิบุโนพระอาจารย์ องพุ่มในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรียกเล้นตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนเหยืสุขเพียงแค่นี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่11็พฤศจิกายนนะคะสำหรับวันนี้กราบนัมรดกและกราบขอบพระคุณอย่างสูงเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าหลวงพ่อเจ้าาสาธุเจ้า่ะ